พิจสุทั้งหลายเปรียบเหมือนมีพ่อกรัวสองคนที่ทำอาหารบำรุงเลี้ยงพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาด้วยอาหารคือกับข้าวหรือแกงชนิดต่างๆที่มีรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดจัดบ้างรสหวานจัดบ้างรสเฝื่อนบ้าง รสไม่เฝื่อนบ้างรสเค็มบ้างรสจืดบ้างพ่อครัวคนหนึ่งเป็นคนเกาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่าวันนี้ท่านชอบข้าวและแกงชนิดนี้ของเราหรือรับแกงชนิดนี้ตักแกงชนิดนี้มาก หรือว่าชมแกงชนิดนี้วันนี้ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสเปรี้ยวของเราหรือรสหวานของเราหรือรสขมหรือรสเฟื่อนเป็นต้นพ่อกรัวผู้ที่เป็นคนเกลาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมนั้นย่อมไม่ได้เรื่องนุ่งหม่มไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้รางวัลข้อนั้นพระเอกราเลา เพราะความที่พ่อครัวนั้นเป็นคนเก่าไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนส่วนพ่อครัวอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมรู้จักสังเกตชนิดแห่งอาหารของตนว่าวันนี้ท่านชอบข้าวและแกงชนิดนี้ของเรา หรือรับแกงชนิดนี้ตักแกงชนิดนี้มากหรือชมแกงชนิดนี้วันนี้ท่านชอบข้าวและแกงที่มีรสเปรี้ยวหรือรับแกงที่มีรสหวานหรือรสเค็มวันนี้ท่านตักแกงที่มีรสเฟื่อนหรือรสเผ็ดจัดมากดังนี้พ่อครัวผู้ที่เป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาด เสียบแหลมก็ยอมได้เคเรื่องนุ่งหม่มขค่จ้างได้รางวัลข อ, อนั้นบริยไว้เล่าเพราะความที่พ่อครัวนั้นเป็นบัณฑิตฉเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมรู้จักการสังเกตชนิดและรสชาติแห่งอาหารของตนอุปมานี้ฉันได้อุปมาก็ฉันนั้นคือบุคคล ที่เมื่อกระทําความเพียรด้วยการพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เป็นประจําพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจําพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจําพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจําเป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติพยายามกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้บุคคลทั้งหลายเมื่อกระทรมการการะทรมชนิดนี้อยู่แต่ถ้าเขาเป็นคนเกาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมจิตก็ไม่ตั้งมั่นละความเศ้าหมองไม่ได้เพราะไม่สามารถกําหนดนิมิตแห่งจิตของตน เธอก็ย่อมไม่ได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและไม่ได้สติสัมปชัญญะข้อนั้นพระเหต์อะไรเล่าประเหตุหหหว่าเธอผู้นั้นเป็นคนเขาไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมไม่รู้จักการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนส่วนถ้าบุคคล น, นั้นเมื่อพยายามเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้ จิตย่อมตั้งมัน่นและความเศร้าหมองได้รู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนก็ย่อมได้ทำเครื่องอยู่เป็นสุขในภายในและได้สติสัมปชัญญะก็เ น, น้นพระเหี้ยมไพ่เล่าพราะความที่เท่านั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเสียบแหลมรู้จักการสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนข้าพชาพระภัยบุ มาพบกับท่านผู้ฟังในวันนี้นําเรื่องของพ่อครัวสองคนที่ปรุงอาหารทบายพระราชาเหมือนกันท่านผู้ฟังไม่ต่างกันเลยเราปฏิบัติธรรมอยู่ในธรรมะวิไหนนี้เราฝึกจิตของเราอยู่เหมือนเหมือนกับการปรุงอาหารทำอาหารคนที่ทําอาหารเป็นกระยับพึ่งน้ำลายซอละ อย่ให้ร่างกายมันออกหน้าออกตามากเกินไปให้รู้จักสงบสติอารมณ์ไปบางการปรุงอาหารมันเหมือนกับการนั่งสมาธิภาวนาอย่างไรมันเหมือนกันตรงที่ว่าผู้ที่ปรุงอาหารจะเป็นพ่อกลัวก็ตามแม่กลัวก็ตามเขาจะต้องรู้จักสังเกตรสชาติของอาหารเออเราใช้เครื่องปรุงชนิดนี้อาหารของเราออกมาหวานอย่างนี้ ใช้เครื่องปรุงชนิดนั้นอาหารของเราออกมาเค็มแบบนี้ไอ้แก้ว่าไอ้เค็มกับหวานรสชาติพื้นๆเนี่ยมันก็มีหวานปแปแ๊บแลมแปบแลมหวานแหลมๆหวานทื่อๆเค็มก็ยังมีเค็มเกลือเค็มซีอิ๊วเค็มน้ำปลาน้ำปลานี่ก็บแบง่งไปอีกมีน้ำปลาแบบเค็มขาวๆนิดนึงหรือว่าเค็มฝืนๆโอ้ไม่หลายอย่าง คนที่ปรุงอาหารเป็นเอาไม่ต้องปรุงอาหารเป็นก็ได้เอาแค่ว่าถ้าคุณกินข้าวได้เอาคุณมีลิ้นเนี่ยลิ้นแต่อะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักสังเกตรสชาติของมันเอนดิเกมแบบไหนหวานแบบไหนทําไมเพราะว่าถ้าไม่สังเกตเราจะไม่สามารถรู้ว่าไอ้เครื่องปรุงชนิดนี้มันได้รสชาติแบบนี้หรือว่าคนกินคนนี้เขาชอบอาหารรสชาติไหน อุปมาอุปไมที่พระเจ้ายกมานี้นะทรานฟังแยบขายมากแยบขายมากเหมือนกับเวลาที่เรานั่งสมาธิภาวนาะไม่ต่างกันเลยแต่พ่อครัวปรุงอาหารถวายพระราชาก็ต้องสังเกตดูว่าคนกินเนี่ยเขาชอบแบบไหนคือเราคนทำเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยตัวเองมันก็ต้องกินละ่ะโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีประสบการณ์ไปอยู่ต่างประเทศและมี เีน้อยหอยนอยมีเงินจํากัดใช่ไหมคุณทําอาหารกินเองอร่อยไหมอร่อยยังไงก็ต้องซอยให้หมดกินให้หมดเนะีเบื่อความประหยัดนี่แต่ว่าคนที่จะทําเป็นมืออาชีพเนะี่ยเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวระดับโลกนี่ไปที่ไหนก็โชว์ได้ทําได้เนี่ยเราจะสังเกตวิธีการทํางานของเขาเราจะรู้แต่เขาจะต้องสังเกตดว้วยเออคนนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่จะกินอาหารของเรา นะตัวใหญ่ตัวพร้อมหรืออย่างไรนะไปพูดคุยเราก็ทำอาหารมาเสิร์ฟมาให้กินนะเสิร์ฟมาก็มีหลายเมนูใช่ไหมก็ต้องรู้จักสังเกตว่า เ, เมนูแรกนี่เขากินหมดหรือกินเหลือนะเขาชมยังไงเขาติตรงไหนนะทำเมนูต่อไปออกมาก็ค่อยปรับแตนะ่คือปรับให้มันเข้ากับลิ้นของคนกินน่ละอุปมาว่าไงที่พระเจ้ายกมานี้เพื่อที่จะ เปรียบเทียบให้ฟังแต่ว่าคนสองคนนะ่ะเติมฟังกิ ด, ดูเรานั่งสมาธิอยู่ด้วยกันนั่งสมาธิอยู่ด้วยกันทั้งสองคนก็สังเกตลมหายใจเหมือนกันเาหายใจเข้าให้รู้หายใจออกก็ให้รู้นั่งท่าเดียวกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกันแต่ฟังคำสอนของผู้ชอบเหมือนกันทั้งบทเพียนชนะทั้งน้ำเสียงทั้งอะไรแต่ว่าคนหนึ่งน่ะกลับไม่สามารถทําจิตให้ตั้งมั่นได้ ละความเศร้าหมองไม่ได้แล้วเราก็สติสัมปชัญญะก็ไม่เกิดแต่ส่วนอีกคนหนึ่งนั่งข้างๆกันนั่นแหละทําเหมือนกันฟังสิ่งเดียวกันแต่ว่าทําสติสัมปชัญญะให้เกิดได้มีจิตตั้งมั่นลงได้ละความเศร้าหมองจิตแจ่มใสได้สองคนนี้ต่างกันอย่างไรเอาเรากลับไปดูพ่อครัวเราก็ทําอาหารเป็นเหมือนกันนะรู้จักปรุงกับข้าวรู้จักปรุงน้ําแกง อินเดียเขาจะมีแกงกรีชนิดต่างๆใช่ไหมรสชาตินั่นแกงน้ำข้นแกงน้ำใสเนะรสชาติแตกต่างกันไปจิ้มรโรตีกินน่คนจะมาเป็นระดับพ่อครัวทำอาหารเนี่ยก็ต้องทําอาหารเป็นอยู่แล้วนี่ยมันต้องมีรสชาติมาตรฐานของมันอยู่อันหนึ่งแต่ว่าคนแรกที่ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับค่าจ้าง เ, เพราะว่าไม่รู้จักสังเกตรสชาติแห่งอาหารของตนไม่รู้จักสังเกตว่าคนกินเขา ชอบอันนี้เขาติตรงนี้เขาชมตรงนั้นแล้วก็ในเมื่อไม่สังเกตก็เปลี่ยนแป ล, ปลงปรับปรุงรสชาติอาหารของตนให้เข้ากับคนนี้ไม่ได้นะี่ยลิงคนเราัไม่เหมือนกันเขาชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าคนที่สองเขารู้จักสังเกตอ๋อท่านชอบอันนี้ท่านติอันนี้อันนี้กินหมดอันนี้กินเหลือแต่เราไปดูการทำงานของพ่อครัวหรือแม่ครัวระดับโลกเนี่ยก็จะสังเกตหมด แต่สังเกตกินอะไรมากกินอะไรน้อยแต่เขาก็จะปรับปรุงออกมาเหมือนกันคนที่มานั่งสมาธิเนี่ยต้องรู้จักสังเกตนะว่าคนที่กินอาหารที่เราปรุงเนี่ยมันเป็นยังไงเปรียบเทียบยังไงพระราชาคือใครในที่นี้พระราชาคือจิตของเราพระราชาหรือมหาอมาตย์ที่พ่อครัวเขาปรุงอาหารไปถวายเนี่ยคือจิตของเราและไออาหารที่ปรุงเอาไปถวายเอาไปทํานั่นคืออะไรก็คือลมหายใจเป็นต้น เ็เรื่องมือที่คุณจะทําใช้นะให้มันมีความอร่อยขึ้นมาในที่นี้คืออะไรกนะ็คือลักษณะการสังเกตลมหายใจอย่างเงี้ยบางคนตามลมหายใจบางคนเอาไปรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกบางคนลึกเข้ามาหน่อยแตนะ่บางคนอยู่ตรงกลางบางคนสังเกตตรงคอหรืออาจิตไว้ตรงอกเนะี่ยพวกนี้คือลักษณะการปรุงอาหารที่จะมีรสชาติแตกต่างกันไปเอาเนี่ยให้เขากินให้จิตมันกิน ให้จิตมันรับรู้ดูจิตมันสงบไหมเหมือนเอาอาหารประเภทนี้เคม็มบ้างขมบ้างเฟื่อนบ้างน้ําแกงบ้างกับข้าบ้างให้พระราชากินประาชาว่าไงอร่อยไม่อร่อยนะว่ามาเหมือนกันคุณทําจิตไว้ตรงอกคุณเอาจิตไว้ตรงจ ม, มูกคุณเอาจิตตามลมหรือจิตอยู่นิ่งๆแต่บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ในการอาจจะเลยไปข้างหน้าหน่อยเงี่ยดูใช่ว่าจิตมันยังไงแต่สงบไหม มีสีสัมปชัญญะตั้งขึ้นไหมถามว่าใครจะเป็นคนบอกได้ก็พระราชานั่นแหละจะต้องเป็นคนบอกกินรู้อยู่กับปากอยากอยู่กับท้องก็ต้องบอกสิว่าไอต้ตรงนี้อร่อยอร่อยหรือไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ชอบไม่ชอบยังไงพ่อครัวก็ปรับปรุงตามนั้นถามว่าใครจะเป็นคนรู้จิตมันสงบไม่สงบก็จิตนั่นละแต่จิตก็ต้องเป็นตัวบอกสิว่าจิตอ๋อไว้ตรงนี้สงบไว้ตรงนี้ไม่สงบพ่อครัวก็ปรับปรุงตามนั้น เรานั่งสมาธิภาวนาะไม่ต่างกับการปรุงอาหารทำยังไงล่ะพระราชาจะชอบก็ทำอย่างนั้นแหละที่จิตมันจะสงบเราตั้งสติแบบนี้นะสังเกตลมไม่ใช่ตรงนี้จิตมันจะสงบเราก็ต้องทำตรงนั้นต้องรู้จักสังเกตถ้าเขาชอบอันนี้จิตเราเป็นแบบนี้เราก็เอาไว้อย่างนั้นแล้วไม่ใช่แค่นั้นท่นบอังแต่พ่อบครัวยังต้องรู้จักฉลาดในเครื่องปรุงต่างๆ อย่างที่ว่าแล้วแหละเค็มก็มีเค็มหลายอย่างหวานน้ํำพึ่งก็อย่างหนึ่งหวานน้าอ้อยก็อย่างหนึ่งหวานวา น, น้ําตาลก็อย่างหนึ่งหวานไอ้พวกสารแทนน้าตาลก็อย่างหนึ่งหวานจากใบไม้ก็อย่างหนึ่งแต่คุณต้องรู้จักการบอกความแตกต่างของส่วนผสมที่จะมาทําให้อาหารมันมีรสชาติแตกต่างกันไปได้ด้วยไม่ใช่แค่รสที่เป็นประเภทประเภทใดประเภทหนึ่งรสรรชาตินี้ผสมกับรสชาตินี้ มันจะเข้ากันได้เช่นว่าข้าวต้มนี้ข้าวต้มมาใส่น้ำปลาเนี่ยมันไม่เข้ากันแต่คนจีนเขาก็ต้องเอาข้าวต้มมากินกับซีอิ๊วและกินกับน้ำปลาไม่เข้าความที่มันผสมของรสชาติต่างๆให้มันกลมกล่อมก็ต้องอย่างนั้นเหมือนกันส่วนระสมที่ทำให้มีผลถึงรสชาติที่แตกต่างกันไปพ่อครัวนั้นก็ต้องฉลาดด้วยแม่ครัวนั้นก็ต้องมีปัญญาด้วย เหมือนการเราปรับปรุงส่วนผสมส่วนผสมในที่นี้คืออะไรบ้างแต่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งของที่คุณจะไปสังเกตลมหายใจแต่ยังรวมถึงการสมรวมอินทรีย์การรู้จับประมาณในการบริโภคการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นการที่เรามีศีลบางทีอยู่เสนาสะนะอันส ง, งัดเป็นผู้หลีกเล่นเป็นผู้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพวกนี้จะเป็นส่วนผสมเป็นองค์ประกอบ ที่จะทําให้รสชาติอาหารเนี่ยมันแตกต่างกันไปเขาอาจจะชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นบางคนเช่นว่าจะทําความเพียนด้วยการทําทุดงขวัดมีการไม่นอนเออจิตมันสงบส่วนอีกคนหนึ่ง ต, ต้องนอนวันละสี่ชั่วโมงถึงจะสงบนอนมากกว่านี้จิตไม่สงบนอนน้อยกว่านี้ก็เหนื่อยนะเราต้องรู้จักสังเกตปรับปรุงส่วนผสมที่มันจะมาผสมกันทำยังไงก็ได้ละ ให้ประชาชนกินแล้วอร่อยทำยังไงก็ได้ล่ะที่ทําให้จิตมันสงบเอามาผสมเข้ามาเอามาปรุงกันเข้ามาให้มันใต้ชํานาญแต่คือบางทีเราฟลุกๆใส่นั่นนี่พรวเอามาเอ้ยกินชอบอแฮะแต่ลราไม่ได้จดสูตรไว้ทํำยังไงอะรทีนี้แต่ก็ต้องปรุงใหม่ทําใหม่แ ล, ลองทดสอบทําดูให้มีความเชี่ยวชาญเช่นเดียวกันแต่ไอเราใส่ลงไปตรงนี้ปริมาณเท่านี้ ใส่ปริมาณตรงนั้นเท่านั้นใส่ลงไปกินตอนเช้าก็อย่างหนึ่งกินตอนเย็นก็อย่างหนึ่งกินตอนที่มันอุนอ่นๆอยู่ก็เป็นอย่างหนึ่งอาหารบางประเภทต้องเสิร์ฟที่อุณหภูมิต่ำอาหารบางประเภทกินตอนอากาศร้อนแล้วมันแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันจิตเราเหมือนกันไม่ต่างกันเลยท่านฟังนะนั่งสมาธิตอนฤดูหนาวเออทาจิตแบบนี้ก็อย่างหนึ่งอีกแบบหนึง่งทาไปอยู่สถานที่ สถานที่นี้ทำได้เอ๊ทำแบบเดียวกันในสถานที่นี้เอ๊มันกลับทำไม่ได้เราต้องรู้จักสังเกตนิมิตแห่งจิตของตนนิมิตในที่นี้หมายถึงเครื่องหมายที่จะปรากฏขึ้นว่าใจของเรานั้นมีความสงบหรือไม่สงบอย่างไรสังเกตได้ที่ไหนใจมีความสงบหรือความไม่สงบสังเกตได้ที่จิตของเรานี่แหละเอาลิ้นแตะดูเนี่ยมันต้องรู้เนรู้ว่าเค็มมากหรือเค็มน้อย แต่อาจจะบอกไม่ได้หรอกถ้าคนที่ไม่ค่อยมีปัญญาเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊่นี่มันเค็มน้ําตาลหรือว่าเค็มเกลือหรือว่าเค็มซีอิว๊วน้ําตาลมันเค็มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามันมากไปหรือมันน้อยไปเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยเราทําอย่างนี้จิตมันสงบมันรู้แต่สงบนิดเดียวสงบลึกสงบเย็นสงบนิ่งสงบแบบไหนหรือสงบแล้วเด้งออก นีมันต้องรู้อาจจะบอกไม่ได้ว่าสงบลึกเย็นหรือว่าเป็นต่างๆกันยังไงแต่ว่าต้องรู้ว่ามันมากหรือมันน้อยมันนี้บอกได้แน่นอนลิ้นเราแต่อาหารเนี่ยมันรู้ทันทีเนะีเผ็ดไม่เผ็ดเด็กเขากินเข้าไปเนี่ยพูดไม่ได้เนี่ยกินของเผ็ดปุ๊บเขาคลายออกทันทีไหนะกินอะไรหวานหวาก็อมแช่เอาไว้มันธรรมชาติเป็นอย่างงี้จีก็เหมือนกันนะีมันต้องรู้ได้นะีรู้ได้แล้วเราจะฉลาด ในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนผสมรสชาติอาหารของเราให้เข้ากับลักษณะของจิตที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่คนบางคนทำวางเอาแค่ว่าไม่ได้ว่าต้องนั่งสมาธิเป่านานะ่ะเอาค่อยนอยู่ในถ้่ยทางานแต่อุบายวิธีในการที่จะปล่อยวางเวลาที่ถูกคนเขาด่ายเงี้ย แ, แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถูกด่ามาวดวัดวัดววัดมันโกรธขึ้นปุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่บางคน ไปเมตตาไม่ได้แหมจิตไม่เย็นบางคนได้นะบางคนแปรเมตตาไปอ่าจิตชุ่มเย็นลงลดความโกรธลงได้แต่บางคนมันไม่ได้ก็คือกินอาหารอย่างนี้แล้วมันไม่อร่อยเน่กินเมตตาลงไปแล้วเขาไม่ชอบเนี่ยวางไม่ได้จิตไม่เย็นเอาสลิมมาบางคนชอบกินสลิมกินสลิมเข้าไปเอิมก็อร่อยดีแต่คนที่ไม่ชอบกินเขาก็ว่าไม่อร่อยเอาก็เอาไปกรินไข่เตา嘛เออกินปลากินไข่เตามันยังจะอร่อยกว่า สำหรัคนที่ไม่ชอบกินสลิมอย่างเงี้ยเหมือนกันบางคนทําเมตตาไม่ได้เอาคุณก็พิจารณาเสียงที่มันมาโดยความเป็นธาตุสีแต่เป็นแค่ธาตุเป็นแค่ลมมากระทบแยกแยะออกไปนีมันก็ทําอะไรเราไม่ได้ก็หวางได้ที่ก็เย็นได้อันนี้ก็มีหรืออา้าวคนไม่ชอบกินปลากิีนไข่เต่าอัง น, นั้นคุณกินแตงไทยน้ํากะทิก็ได้อา้าถ้าคุณจะพิจารณาให้เห็นถึงความเป็นธาตุของเสียงหรือว่าเมตตาก็ไม่ได้ ถ้าคุณพิจารณาว่าตัวเรานะ่ยไม่ใช่ตัวตนพิจารณาโดยความเป็นอนัตตานะ่ยแยกแยะออกไปนะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นก็เกิดขึ้นในจิตไม่ได้จิตเราก็วางลงไปได้มันต้องรู้จักสังเกตเสมอว่างปรับปรุงไปเรื่อยๆให้ฉลาดเนะี่ยดูวาระจริตของเราให้รู้รู้จักสังเกตรเครื่องหมายแห่งจิตของเราจริตของตัวเองนะไม่ใช่จิตของคนอื่นถ้าตัวเราไม่รู้จิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เรื่องเนอะย่างน้อยมันรู้ รู้ละเอียดหรือว่ารู้หยาบหยาบเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งซึ่งแน่นอนแหละเราจะไปรู้อย่างละเอียดละเอียดได้เราก็ต้องรู้อย่างหยาบหยาบซะก่อนนะเหมือนกันเราต้องรู้ว่าเวลาที่จริงเราสงบไม่สงบวางได้วางไม่ได้มันเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วเราก็สังเกตว่าอ๋อส่วนผสมนี้แตกต่างกันไปส่วนผสมนี้เป็นอย่างนี้ส่วนผสมนั้นเป็นอย่างนั้นแต่บางทีกว่าข้อมูลจะมาเนี่ยมันข้ามเป็นวันข้ามเป็นสัปดาห์อย่างนี้พระราชาบอก เอออาหารนี้อร่อยแต่ว่าแม้มันถ่ายยากมันขัดในท้องสองสาวันยังไม่ถ่ายอ่าเราก็รู้แล้วบะโอมันเกี่ยวกับอาหารส่วนผสมที่เราปรุงบางทีเราทําอย่างนี้ตรงนีนะ้เป็นผู้ที่มีความเพียรด้วยการทําทุนงควัดอย่างนี้เป็นต้นนะทําไปวันสวันแรกดีเอ้วันที่สาไม่ดีแตนะ่วันที่สเกินไปละความเพียรมันหนักเกินไปนะมีความที่ร่างกายมันเครียดเครียเกินไปเอา้าเราก็ต้องปรับลง นะต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักฉลาดในเครื่องมือรู้จักใช้รู้จักฉลาดในรสชาติส่วนประกอบของอาหารที่เราทำนะวิธีการมีเยอะแยะท่านผู้ฟังส่วนผสมที่จะมาผสมแล้วเป็นอาหารที่อร่อยให้จิตของเรานั้นมันชอบให้จิตของเรานั้นมันสงบให้วางได้เอาเครื่องมือที่เราพูดกันอยู่เป็นประจำคืออนาปาณสติเนี่ยเอาแค่นี้มันก็หลายอย่างละ่ะไนวางลมไว้ตรงไหน แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจะบอกอยู่เป็นประจําเอาก็ไว้ที่จุดสัมผัสที่เรารับรู้ถึงสภาผัของลมด้านในโรงจมูกใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับรสหวานรสหวานที่เป็นมาตรฐานและใครๆก็คงจะชอบอยู่แต่ว่ามันก็มีหวานแตกต่างกันไปบางคนชอบหวานมากบางคนชอบหวานน้อยมันก็เหมือนกันว่าไม่จาเป็นจะต้องเป็นจุดนี้แต่จุดนี้คนส่วนใหญ่อาจจะทําได้แต่ถ้าเราทําไม่ได้เราก็ปรับดูอาจจะเป็นจุดที่อยู่ภายนอกกายอยู่ตรงนั้นตรงนี้ บางคนลึกเข้าไปในคอบางคนหายใจปกติก็อย่างหนึ่งใช้เครื่องช่วยหายใจเวลาดำน้ําก็อย่างหนึ่งก็แตกต่างกันไปอันนี้แค่ลมหายใจนะยังมีเครื่องมืออย่างอื่นๆ อ, นอย่างเช่นอนุสติสิบอย่างเนี้ยใช้พระพุชาเป็นที่ตั้งของให้จิตให้มีสติก็ได้่ใช้พระธรรมใช้พระสงฆ์ระลึกถึงสีของเราระลึกถึงศรัทธาจาคาปัญญาโอ้ได้ทั้งนั้นหรือว่าบางคนจะใช้กระดูกใช้ผมขนเล็บฟันหนัง มาเป็นที่ตั้งให้จิตมันสงบลงได้บางคนก็แยกแยะโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมบางคนก็เปลี่ยนไปโดยพิจารณาเรื่องมรณสติผ่านกลางวันมากลางคืนหรือ บ, บางคนอาจจะใช้วิธีสับที่เขามักจะเรียกกันว่า ก, กระชายผัสสะมาคือการสมรวมอินทรียนะ์พิจารณาโดยความเป็นภาพรวมหรือพิจารณาแยกแยะด้วยความเป็นส่วนๆเช่นเห็นคนที่คนหนึ่งสวยงาม โดยภาพรวมสวยเราก็แยกแยะเป็นส่วนๆโัวนโคนนี้ฟันสวยเ อ, เอาฟันออกมาถอดมาเป็นเล่มเป็นเล่มเอาลิ้นออกมามันยังจะสวยไหมแ ย, ยกแยะให้รู้จักมีการสรํารวมในอินทรีย์อันนี้ก็อย่างหนึง่งหรือว่าการที่ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนอนยามเดียวแต่กลางวันไม่นอนหรือคนที่รู้จับประมาณในการบริโภคในการประมาณในการบริโภคนี่ก็ยังมีรายละเอียดเยอะเช่นหว่ากินแค่ไหนถึงจะอิ่มพอ คุณจะนับคำหรือคุณจะสังเกตความรู้สึกในกายอาหารแต่ละประเภทก็ทำให้มีผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันหรือแม้แต่การที่ทรงสุดตะสังสมสุดตะเนี่ยฟังธรรมะแบบไหนนะฟังเทศลักษณะใดนะที่จะให้เรามีศีลเพิ่มขึ้นมีสมาธิมีปัญญามีความเพียรมีการปรารถนาน้อยมีความสันโดษมากขึ้นมากขึ้นนะฟังตรงจุดนั้นใจเรามีกำลังมากขึ้นเพื่อที่จะให ไอ้เจ้าศรัทธาศีล น, นะสมาธิปัญญาความเพียงของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแตนะ่คืออินทรี่ห้าของเราเนี่ยมันแก่กล้านะมีความเจริญความก้าวหน้ามากขึ้นเราก็จะปล่อยวางได้ลึกขึ้นละเอียดขึ้นแหลมคมขึ้นดีขึ้นนะจนกระทั่งที่สุดเนี่ยวางได้หมดแต่กนะ็เป็นกระเพาะครัวที่ได้เครื่องอาหารรางวัลได้ค่าจ้าง จากพระราชาที่ตัวเองนั้นทําอาหารถวายแตนะจิตของเราปฏิบัติไปปรุงอาหารให้ดีให้อร่อยเนี่ยจิตมันมีความสงบอยู่ในภายในเป็นรางวัลเป็นค่าจ้างที่เราจะพึงได้จากการที่เราปฏิบัติดีเราสังเกตดูพ่อครัวนะบางทีเขาต้องเหน็ดเหนื่อยนะสแสวงหาส่วนผสมนะทําข้ามรุ่งข้ามวันเนะตรียมอาหารอะไรต่างๆเหนื่อยแน่นอนแต่พอถึงได้รางวัล ได้ค่ า, าจา้างได้เครื่องนุ่งห่มได้ลาบได้ยศเขาก็ดีขึ้นมามีความสบายใจขึ้นมาเช่นเดกนเวลาที่เรากําลังปรุงอาหารให้จิตของเราเนี่ยใช้ความเพียรอย่างยิ่งยวดบางทีอดหลับอดนอนบางทีลองปฏิบัติตามธุดดวงวัดก็ได้รับทุกขเวทนาทางกายบ้างอะไรต่างๆบ้างแ ต, แต่พอเมื่อไหร่ที่จิตมันสงบลงไปให้เห็นคาถาน่ยรู้อยู่เห็นอยู่ใจมันชุ่มเย็นอยู่เนี่แม่มันสบายใจ มันดีใจมันอิ่มใจมันเย็นใจเวลาที่เราได้รับตรงนี้นั่นคือเหมือนกับค่าจ้างรางวัลที่เราได้เป็นผลของความเพียรที่เรากระทําแต่บางทีการทําความเพียรของเราตรงนั้นอาจจะยังไม่ออกผลแต่เพราะว่ารสชาติมันยังไม่ดียังไม่กลมกลม่อมคุณก็ต้องใช้กําลังความเพียรนะทําต่อไปเรื่อยๆทดลองแบบนั้นทดลองแบบนี้แต่มันมีแน่นอนกว่าเราเนี่ยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ว่าจะต้องทําได้ มันไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลานะคือโง่แล้วมันถึงจะฉลาดได้นะเราลองทําผิดทําถูกโอ้อ น, นี่มากอันนี้น้อยปรับปรุงไปเรื่อยๆข้อความหนึ่งอาหารเรามันต้องอร่อยนะคืออาหารเราอย่างไรมันอร่อยอยู่แล้วนะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยยังไงมันดีอยู่แล้วคุณจะเลือกตรงนั้นมาใช้เลือกตรงนี้มันใช้มันดีหมดแต่ว่าคนกินมันจะชอบแบบไหนอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องจริตเลยนะทุกคนมีจริตจริตก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องวางนะ เราจะไปยึดถือว่าฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้ฉันต้องกินอาหารนั้นฉันต้องกินอาหารนี้ไม่ใช่นะมันเอากิเลสมันเอามาใช้มันตัวกิเลสหรอกแต่แม้แต่จริต ก, ก็เป็นสิ่งที่จิตจะต้องวางแต่เราจะทำยังไงให้จิตวางจริตนั้นทำาไงให้จิตวางอารมณ์นี้คือก็ต้องหาอาหารที่พระราชาจะชอบมาให้เขาให้พระราชากินประราชาก็สบายใจได้รับค่าจ้งางละวันเราก็หาสิ่งที่ทาให้จิตนั้นมันวางได้ โดยรูปแบบนี้ธรรมะบทนี้ธรรมะชั้นนี้ระดับนี้ทำตรงนี้ทำแบบนี้จิตจะวางได้แต่วามแม้ก็ได้จริตวางทาให้จิตเย็นมีสงบสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมีความสบายใจความเย็นใจจริตก็ต้องเป็นสิ่งที่วางทำยังไงจะให้วางได้นั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องหานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตดูให้รู้จิตเราเองตัวเราเองจะให้คนอื่นมารู้ได้ยังไงจิตเราเองตัวเราเองก็ต้องรู้เองเห็นเอง อยู่ในใจของเราถ้าเราไม่ฉลาดในนิมิตแห่งจิตของเราเองก็ฝึกให้มันฉลาดซะนะเรื่องการฝึกให้เราฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนรู้จักสังเกตขึ้นมายของตนมันไม่ยากมันก็เริ่มจากห ย, ยาบๆก่อนนะเราสังเกตตรงในด้าน เ, าเอาตรงนั้นแค่อยสังเกตไปดูไปรู้ไปแก็จะมะีความฉลาดมากขึ้นพ่อครัวบางทีเขาไม่ได้ดูจากอาหารเหลืออย่างเดียวเขาดูจากสีหน้าเวลาที่อาหารเข้าปากดูจาก ลักษณะการเกี้ยวความละเอียดมันก็ลึกซึ้งขึ้นไปมากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ระวังในการสังเกตตรงนี้สังเกตครั้งเดียวเราคิดว่ามันจะเหมือนกันตลอดไม่ใช่นื่อมันมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปเนือเรื่องจริตเรื่องอะไรต่างๆเราต้องวางมาแน่เราต้องวางทำปล่อยวางให้ได้ไม่ใช่ว่าจะยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอ เ, เปล่าแต่เราให้มีความยืดหยุนให้มีความอ่อนเหมาะและมั่นคงในใจของเรา เราจะทำความดีความงามให้เกิดขึ้นได้เหมือนพ่อครัวที่จะได้รับค่าจ้างรางวัลจากความที่ตัวเองเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมนั่นเองให้าร้ฟังได้รับความสงบใจเย็นใจจากการที่เรานั้นเป็นผู้รู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งจิตของเราวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิพุนโนก็ขอลาไปก่อนจเจริญพร